เราฟังพระดํารัสแม่ของพระองค์แล้วก็ยิ่งเลื่อมใสเนี่ยนะฝ่ายพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยนะแม่ได้รับพยากรณ์ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าจะดีใจขนาดไหนแล้วก็บอกด้วยนะบอกเหมือนกับว่าบอกกับบอกเวลาบอกชื่อพ่อชื่อแม่แสดงว่าได้ตรัสรู้แน่นอนฟังแล้วก็ดีใจจริงๆเลยนะเหมือนอย่างว่าอะไรนะแค่แค่บอกธรรมดาเนี่ยไปหาใครแล้วเขาเล่าบอกอสอบติดแน่นอนน่ยนะวิชาที่มันสอบยากๆฟังแค่นั้ น, น, นแทบจะห่ะได้แล้วเนี่ยนะ แแค่ธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะอย่างบางคนเนี่ยบอกโอยอยากจะไปอินเดีย ม, มากแค่นีน้ก็บอกว่าได้ไปแน่บอกโอแค่นั้นแหละปลื้มมากดีใจอย่างี้ว่าดีใจยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดอีกบางคนนี่ขนาดนั้นบางคนได้อะไรสักอย่างเนี่ยดีใจจริงๆบอกว่าในความดีใจเหล่านั้นถ้าเปรียบกับผู้ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สุดยอดของความดีใจแล้วไม่มีอะไรที่จะน่ายินดีหรือดีใจขนาดนี้นะในบรรดาผู้ดีใจที่จะได้ของที่ดีที่สุดเนี่ยพระโพธิสัตว์เพราะท่านจะได้โพธิยามที่สูงสุดท่านจะได้สิ่งที่สูงสุดที่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายธรรมดาทั่วไปไม่มีโอกาสได้นะซึ่งผู้ไม่มีบุญยากที่จะได้กพราะว่าอย่าว่ายากที่จะได้คุณเช่นท่านเลยยากยากที่จะแม้กระทั่งพบท่านท่านแม้แต่พระองค์ท่านที่เป็นรูปยังหายาก จะกล่าวไปยญยถึงคุณธรรมที่พองได้เพราะฉะนั้นพองบฟังปั๊บจะได้อย่างนี้นะโอ้ดีใจมากนะพอปีติสงบประงับก็สมาทานอธิษฐานข้อวัดให้ยิ่งยวดกวดขันตัวเองขึ้นในการสร้างบารมีกวดขันในเรื่องการให้ทานกวดขันในเรื่องการรักษาศีลกวดขันในเรื่องการเจรเนฆามะกวดขันในเรื่องเพิ่มพูนปัญญานะ ให้ความสําคัญกับการสร้างบารมีด้วยความภาคเพียนพยายามอุตสาหะอย่างจริงๆเนยนะเพิ่มก็เรียกว่าขันถ้าพูดแบบนี้เขว่าเร่งรัดบีบตัวเองให้สร้างบารมีหนักขึ้นกับเราก่อนหน้านี้แม่อุตสาห์แบบลม้ลมๆ้มหน่อยนะเหมือนกับว่าแรกๆ ก, ก็เหมือนว่าปล่อยๆซะหน่อยเนี่ยนะตอนนี้เริ่มเข้มงวดกวดขันกับตัวเองขึ้นในการ สร้างบารมีมากกว่าเดิมก็ได้แต่อย่าลืมว่าทุกอย่างท่านทําเสมอด้วยชีวิตอยู่แล้วเนี่ยนะก็บีปัดเข้าไปอีกเนี่ยนะใครเรียกว่ายิ่งกว่าภาษาออใครเยว่ายิ่งกว่ากวนทะเลเอาน้ํานมอนกันะยิ่งกว่าบทภูเขาหาเพชรเหมือนกันยิ่งกว่าคันแผ่นดินทั้งหมดเพื่อหารัตนะเนี่ยนะเพราะท่านมีความภาคเพียนอุตสาหะที่ยิ่งใหญ่อย่างนั้นจริงๆในที่สุดก็บําเพ็ญบารมีจนเต็มบริบูรณ์ กวดขันเพื่อสร้างบารมีจนเต็มบริบูรณ์สิ่งเหล่านี้ที่เราเรียนเนี่ยนะก็ไม่ใช่พยายามเรียนในสิ่งที่ลมแรงนะเพราะว่าผู้ที่เขาทำอย่างที่กล่าวว่าเนี่ยมีอยู่จริงแล้วก็ทำสาเร็จไปแล้วและศาสนาของท่านก็จะหมดไปแล้วด้วยนะซึ่งหน้าปราบปลื้มมนุโมทากับพระองค์ด้วยแล้วก็หน้าสังเวชตัวเองด้วยเนี่ยนะก็ลูกหลานอะไรนะชตรีท่านหนึ่ง หรือสีอสิตะหรือสีหรือกาละเทวินดาบทเนี่ยนะอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าอสิตะหรือสีหรือกาลเทวินเนี่ยนะพอเห็นพระโพธิสัตว์นี่หัวเราะเลยเสร็จแล้วก็ร้องให้หัวเราะโอ้ท่านผู้นี้ยังไงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนดีใจด้วยนะเหมือดีจริงๆเลยนะไม่ริษยาดีใจด้วยคิดอีกในหนึ่งว่าปร้องให้เลยว่าเสียใจจริงๆแล้นะเสียใจจริงๆที่เกิดไม่ทันท่านเอามาเขเอาขอไป อายุไม่ยืนพอที่จะเห็นท่านอายุไม่ยืนพอที่จะได้ฟังธรรมของท่านมันบอกพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกดีใจจริงๆแต่เสียใจจริงๆมาเกือบทันก็สอบเกือบได้ก็สอบเกือบตกเอาันไหนมามาทันเกือบเกือบเกือบทันเนี่ยแสดงว่ามาตอนไหนแสดงว่าไม่ทันเกือบทันก็คือไปเห็นเฉพาะสถานที่อันนี้เกือบทันเยนะ ไม่นานเองนะแม่พึ่งร่องรอยพึ่งอุ่นๆมางั้นเห็นไหมร่องรอยเหมือนกับว่าพึ่งอุ่นๆเนี่ยไม่นานนะย้อนกลับมาหาพระโพธิสัตว์อีกครั้งว่าครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ของเราก็ระลึกถึงพุทธธรรมธรรมที่สร้างความเป็นพระพุทธเจ้าธรรมที่เกื้อกูลต่อความเป็นพระพุทธเจ้านั่นแล้วก็เพิ่มพูนพุทธธรรมเหล่านั้ น, นนะเพิ่มพูนบารมีธรรมเพื่อจักนําพุทธธรรม พุทธธรรมโดยทั่วไปเน้นวะ่าเช่นพุทธธรรม18เนี่ยนะนะพุทธธรรม18หรือว่าพุทธญาณ14นะเกี่ยวกับพุทธเจ้าเนี่ยเป็นตำนานที่พูดไม่มีจบสิ้นเนี่ยนะนะที่เราปรารถนานักหนามาให้ได้ยิ่งบีบยิ่งกวดขันในการสร้างบุญเพื่อให้ได้พุทธภูมิที่ตัวเองปรารถนาเอามาให้ได้ปรารถนานักหนาเหมือนกันท่านใช้คําว่าปรารถนานักหนาแปลว่าสุดๆดของการปรารถนาจริงๆ ปกติเนี่ยนะมันก็อย่างว่าคนนี่มันก็รักทรัพย์สินใช่ไหมถ้าถ้าพูดแบบธรรมดาทั่วๆไปหวงเห็นทรัพย์มากอุตส่าห์แสวงหาทํางานมาด้วยความเหนื่อยยากพอพูดถึงโพธิญาณตั้บทิ้งหมดเลยเอาโพธิญาณเนี่ยนะสละสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเพื่อโพธิญาณโดยปกติทั่วๆไปใครก็รักครอบครัวใชก็น่ก็รักครอบครัวรักบุตรรักภริยาก็บอกว่ารักโพธิญาณมากกว่าจะต้องสละบุตรสละภริยาเพื่อให้ได้โพธิญาณ ปกติคนทั่วไปสลกร่างกายอวัยวะมากบอกเพื่อโพธิญาณสละอีกคนทั่วไปแหมรักชีวิตมากเลยนะก็บอกว่าฉันจะมาฆ่าคุณเนี่ยแม้ฟังแค่นี้คลิ้เลยทันทีเนี่ยนะแต่พระองค์เนี่ยบอกว่าถ้าเพื่อโพธิญาณชีวิตอันนั้นจําต้องทิ้งก็ยอมเหมือนกันเพื่อโพธิญาณว่าสุดยอดของความต้องการนะไม่มีไม่มีใครมีความต้องการอะไรที่มันจะใหญ่หลวงขนาดนี้อีกแล้วและความต้องการอันนี้เนี่ย เป็นความต้องการเรียกว่านี่รันดอกังั้นนี่รันธระเนี่ยจะเรียกว่านี่รันดอนก็ได้ความต้องการอันนี้เนี่ยมันไม่เลิกไม่รามันยาวมันนานจริงๆอ่ะนะอย่างพระพุทธเจ้าวิวริยาที่กาด้วยความต้องการอันนี้ร่วม80ดสิอสองไข่มันเป็นความต้องการอะไรที่มันยาวนานแล้ถ้าเทียบธรรมดาทั่วไปก็ไม่ครบใครจะใยเย็นรออะไรนานได้ขนาดนี้ได้ถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะต้องการเนี่ยต้องการลึกซึ้งต้องการจริงๆเลยแหละ แต่มันต้องรอขนาดนี้เนี่ยนะบอกก็เหมือนว่ารออาหารที่อร่อยๆที่เราอยากกระทาเนี่แค่ชั่วโมงเดียวแทบจะรอไม่ได้อยู่แลยนะบอกว่าเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งอะไรเพิ่งเอาข้าวสารมากรอกหม้อบอกโอ้ยหิวจัดมาเลยเนี่ยนะต้องการอาหารก็ต้องการจริงๆอ่ะแต่ก็ต้องรอเหมือนคนหิวข้าวรอข้าวเหมือนคนกระหายน้ํารอน้ําแต่ก็รอด้วยใจที่จดจ่อทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ตามความต้องการจริง พระเรวตะพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงมีพระนครชื่อว่าสุทันญวดีพระชนกของพระองค์พระนามว่าพระเจ้าวิปุราตพระชนนีพุทธมารดาพระนามว่าพระนางวิปุลาวิบูลเนี่ยนะก็คือภัยบูนนี่แหละอีกสับหนึ่งก็คือภับูล์กว้างใหญ่ไพศาลนั่นแหละพระองค์ครองคารวาตวิสัยอยู่6000ปีมีปราสาทอย่างยอดเยี่ยมสามหลังที่เกิดเพราะบุญกรรม องทำบุญมาเนี่ยนะความมีรูปสวยความมีเสียงเพราะเนี่ยนะความมีทรัพย์สมบัติทั้งหลายเนี่ยก็เพราะว่าของคนมีบุญเพราะทําบุญมาเพราะทำหมดบุญก็เป็นเศษเหล็กทันทีเลยแหละอันนี้ก็สมบัติของผู้มีบุญจริงๆนึกถึงตึกอะไรนะตึกเวอร์เทสเนี่ยนะอายุไม่ยืนนะอายุแค่27ปีเองอายุ27ปีแสดงว่าเกิดทีหลังอาตมาตายก่อน อายุ27ปีนี่นะตอนสร้างก็วางแผนกันน่าดูเลยนะแตกทำลายเหลือกลายแต่เศษเหล็กเป็นแสนตันเฉพาะเศษเศษขยะนี่ร่วมแสนตันเอเป็นแสนตันไม่ใช่เศษขยะธรรมดาเศษขยะที่ปนกับซากเนื้อซากเลือดครา บ, เ ล, ราบเลือดคราบเลือดเนี่ยนะเป็นพันศพอ่ะคิดดูว่าเป็นซากเหล็กที่เหม็นสุดยอดเือนันนนะนะยิ่งกว่ากรือซ่วมก็ยังไม่ได้เหม็นขนาดนั้นอะไรนะเนะ ทั้งเรียกว่าสุดๆในนั้นหมดอ่ะนะยี่สิปีสังขารทั้งหลายแต่ว่าตอนที่มีบุญผู้มีบุญก็แวะเวียนเวียนไปชมกันพอพอหมดบุญของผู้ที่อยู่อาศัยกลายเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามแหล็กชิ้นเดียวกันแต่ว่าแปลสภาพไปนะสังขารคล้ายกันดีเอันเดียวกันนั่นแหละแต่ก็แปลไปเนี่ยนะกระดูกชิ้นเดียวกันแต่เปลี่ยนสมุดฐานไปสังขารทั้งหลายก็เป็นเช่นนี้แล้วก็เรียกว่าพวกปราศาสตร์เนี่ยนะ จะสูงสุดสูงสุดในโลกก็ก็คือสังขารธรรมปราสาทของพระพูทธิสัตว์เลือมไหมในบัดนี้อย่างเราไปอะไรนะที่กบิลพัดก็ไปดูแต่ซากซากอิดนี่นะแล้วก็เอาอิดมากองกองตั้งดูก็เห็นแล้วละอะัอ้นั่นแหละก็ไปเห็นซากแบบนั้นแล้วจะไปเลืออะไรถึงบุญกรรมจะตกแต่งเขาบอกว่าดูจงดูรูปที่บุญกรรมตกแต่ง แต่ว่าถึงรูปบุญสูงใหญ่ขนาดไหนตกแต่งก็เข้าถึงความชรานะเพราะสังขารทั้งหลายมีชราและมรณะเป็นที่สุดเขาพูดให้เนี่ยเราไปพูดให้สังเวชเพเนาะเอออ พ, พูดบูชาอาผูม้มีบุญมีบุญน่นะมีปราสาทชื่อว่าสุทัศนะหนึ่งนะรัตนคิและก็อวิะอันตกแต่งแล้วแสดงว่าสวยมากเลยนะ มีพระสนมนารีที่แต่งกายงดงาม 3, 000, 000, 000, 000, 000. สามล้านสามแสนนางแสดงว่าเมืองใหญ่มากเลยนะผู้ที่คอยดูแลพระอัครมเหสีพระนามว่าสุทัศนาพระโอรสพระนามว่าวรุณะพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะนะพระชินเจ้านั้นเห็นนิมิตสี่ประการคนแก่คนป่วยคนตายและนักบวช สเสด็จออกพินิสกรมด้วยยานคือรถทรงเนี่ยนะคนะบวชนั่งรถบวชไปบวชอ่ะนะตั้งความเพียร7เดือนเต็มเรียกว่ารวบรวมโพธิปัฏิานเนี่ยใช้เวลาเจเดือนพระมหาวีรชินเจ้าเรวตะพระองค์นั้นเนี่ยนะผู้นำโลกผู้สงบหลังจากตรัสรู้แล้วเท้ามหาพรหมก็อาราธนาแล้วพระองค์ก็ประกาศพระธรรมจักรเสร็จแล้วพระองค์ก็ประทับอยู่ณนะพระวิหารวรุณารามวรุณาราม ทรงมีพระอัครสาวกชื่อว่าพระวรุณะและพระพรหมเทวะมีพุทธอุปถากชื่อว่าพระสัมภวะมีพระอัครสาวิกาชื่อว่าพระพัฒนาและพระสุพัฒนาพระพุทธเจ้าผู้เสมอด้วยพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระพุทธเจ้าเท่านั้นมีแต่เวมัตต์ที่แตกต่างกัน8ประการเท่านั้นที่เหลือเหมือนกันทุกอย่าง พระองค์ผู้ไม่มีผู้เสมอเหมือนนะไม่มีใครเสมอเหมือนในอย่างรูปเนี่ยนะแม้กระทั่งรูปประคันก็ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนแล้วจะกล่าวไปใหญ่ถึงเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่ผ่านการอบรมนับมาสงไขยถ้าจะกล่าวถึงสิ่งที่ใช้เวลาบ่มนานที่สุดเนี่ยนะเวนอวิชากับภวะตันหาซะอวิชากับภวะตันหาเนี่ยทุกคนกบ่มมานานแก่กล้าจริงๆ ลืมตาพับก็ไม่เคยเห็นอริยสัจมืดเหมือนเดิมเนี่ยนะอันนี้เพราะบ่มมานานมากแต่ว่าถ้าจะกล่าวไปแล้วเนี่ยสิ่งที่บ่มมานานนั้นก็คือโพธิญาณนันจึงไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในการตรัสรู้พระองค์ได้ตรัสรู้นะโคนโพรพฤกชื่อว่าต้นนาคากะทิงเหมือนพระพุทธเจ้าองค์ก่อน น, นนะพระองค์มีอัครอุปถากชื่อว่าวรุณและสรพะมีอัครอุปถายิกาชื่อว่าปาลาและอุปปาลา พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยส่วนสูงทรงสูง80ศอกสูงมากะนะทรงมีพระศมีสว่างสวัยทุกทิศเหมือนดวงอาทิตย์เนี่ยนะถ้าถ้าใครถ้าดูดวงอาทิตย์ยามเช้าๆหน่อยเนี่ยที่มันเป็นแสงพุ่งเป็นช่อเป็นช่อเป็นช่อฉัอนใดว่าว่าสมัยก่อนนี่ไม่รู้จะเอาอะไรเป็นเครื่องเปรียบะนะก็ก็จะยกว่าพระพุทธเจ้าเสมอด้วยพระอาทิตย์เรียกว่าอาทิตย์จะพันธุนา เรว่าเผ่าพันธ์แห่งพระอาทิตย์เหมือนกันเลยในด้านรัศมีที่ส่องสว่างชอบประกายเหมือนอย่างว่าดวงอาทิตย์ขึ้นยามเช้าออกสีทองฉันใดถ้าพุทธพุทธวันนะหรือรูปร่างกายของพระองค์ก็มีมีสีทองดุจช่อทองชมพูนุดเหมือนอย่างว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยนะมีรัศมีออกจากพระวรากายเช่นกับดวงอาทิตย์นั้นชมอาทิตย์ยามเช้าก็ระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้า เมื่อก่อนแปลกว่าเจดีโดยเฉพาะเจดีที่สีลังกาเนี่ยโดยมากจะทำรูปดวงอาทิตย์เนี่ยนะตรงจะมขีข้างบนจะมีเป็นแท่นสี่เหลี่ยมรอบจะเป็นรูปดวงอาทิตย์ซะส่วนใหญ่เนยแล้วก็อีกหลายๆแห่งที่เขาบูชาพระอาทิตย์เนี่ยต้นเดิมจริงๆก็มาจากบูชาพระพุทธเจ้าพูดเสมอด้วยดวงอาทิตย์พอเปลี่ยนไปเนี่ยนะความเข้าใจเริ่มแปรไปก็เลยบูชาเฉพาะสีบูชาเฉพาะแสงสว่าง แต่จริงๆแล้วต้นต้นแรกๆเลยเนี่ยเขาบูชาพระพุทธเจ้าผู้มีพระสมีประดุจดวงอาทิตย์เขาเห็นดวงอาทิตย์เขายกมือไหว้เขาไม่ได้ไหว้ดวงอาทิตย์แต่เขาไหว้พระพุทธเจ้าอันนั้นโดยมีดวงอาทิตย์เป็นสื่อเนี่ยนะดวงอาทิตย์เป็นสื่อในการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแต่ในยุคหลังๆมาก็กลายเป็นาศาสนาพระอาทิตย์ไปเนี่ยนะซึ่งก็อย่างว่านะทุกอย่างมันก็มีการคลาดเคลื่อนเลอะเลือนแปรสภาพไป แปลสภาพไปในที่สุดก็ไม่เหลือเขาเดิมเลยใครจะมาคิดว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะตอนที่เบบี้เบเบาเนี่ยจะมีหน้าตากันแบบนี้ใครจะเชื่อม้างนาะเป็นไปได้ไหมไม่น่าเชื่อมันจะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยนะ ม, มีเขาเดิมอยู่เลยเนี่ยนะในยุคนั้นเออขอไปเปลวรัศมีปรว่าช่อรัศมีที่เกิดในสรีระของพระองค์ก็ยอดเยี่ยมแผ่ไป โดยรอบโยอ์หนึ่งก็คือประมาณ16กิโลเมตรเนี่ยนะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนสบายเลยนะถ้าจะอ่านพระไตปิฎกไปตั้ง อ, าอ่านใกล้ๆพระพุทธเจ้าบอกฟังพระองค์เทศดีกว่าเนันนะในยุคนั้นมนุษย์มีอายุหกหมื่นปีพระเรวตะพุทธเจ้าพระองค์นั้นมีพระชนยืนเพียงนั้นจึงยังมูชนเป็นอันมากให้ข้ามโอเคสงสาร พระองค์ทรงสแสดงกำลังของพระพุทธเจ้าทศพลยานสิบประการทรงประกาศอมะตะธรรมคือนิพพานในโลกหมดเชื้อก็ดับขันธปรินิพพานพระองค์หมดเยื่อใหญ่ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกเนะเพราะตัดฉันทราคะนะโลกพระองค์ตรัสรู้แล้วโลกกสูงไทยพระองค์ก็ข้ามเสร็จแล้วละแล้ว โลกกนิโรธพระองค์ก็ทําให้แจ้งแล้วโลกะนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติเพื่อพรากจากโลกพระองค์ก็เจริญเต็มที่เพราะฉะนั้นพระองค์หมดเยื่อใหญ่ในโลกเนี่ยนะก็หมดเชือ้อหมดเชื้อที่จะเพาะปลูกอยู่ในโลกต่อไปในเหมือนกับพวกเราทั้งหลายไปที่ไหนก็เพาะขึ้นหมด ต้องดูจากอะไรนะไปที่ไหนมันก็ขาดรูปไม่ได้นะมันขาดตัทวีเรีขาดอาหารไม่ได้ไปที่ไหนโอ้หมันหิวจริงๆนะขึ้นโออยู่ตรงไหนก็หิวไปหมดอันนี้ก็แปลว่าเยื่อใหญ่ในโลกของเราที่มันแรงจริงๆความรักในโลกความผูกพันในโลกความติดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันติดจริงๆเลยนะติดจนถึงขนาดเรียกว่าทั้งกลางวันทั้งกลางคืนจะไปไหนก็เฝ้าโลกดูแลโลกไปสูตรหนึ่งนี่ยนะพรนะ อ, องพูดอันนี้ไม่ได้เนี่ยนะนะ ไม่ได้พูดกระทบอะไรแต่เล่าให้ฟังเหมือนอย่างว่าสุนัขที่ถูกล่ามโซ่น่ยนะยืนมันก็ยืนข้างยืนใกล้ๆหลักที่มันล่ามเอาไว้นั่นแหละนอนมันก็นอนใกล้ๆหลักที่ถูกล่ามนั่งหรือเดินหรือยืนอะไรก็ใกล้ๆหลักอันนั้นในที่สุดก็ตายคาหลักนั่นแหละแล้วก็ผูกๆต่อไปอีกชั้นใดปุถุชนในโลกนี้ก็ชั้นนั้นเนี่ยนะยืนผูกผูกตัวเองไว้กับรูป ผูกตัวเองไว้กับเวทนาผูกไว้กับสัญญาผูกไว้กับสังขารผูกติดตัวเองไว้กับวิญญาณ น, นะนะก็ติดไว้ในขันห้ายืนก็ยืนด้วยความผูกพันเยื่อใยในขันห้านั่งก็นั่งแบบคนมีเยื่อใยในขันห้าโซ่ที่ผูกสุนัขอาจจะเส้นเล็กๆอันนี้มันแน่นยังไม่รู้เส้นมันเท่าไหร่ก็ไม่ทราบเนี่ยนะใหญ่จนก็ได้ว่ามองไม่เห็นมันปิดหมดเลยใหญ่มากนั่นก็ ถูกผูกถู ก, ถกมัดถูกร้อยถูกรัดเนี่ยนะนั่งติดขันห้ายืนติดขันห้ายืนเดินนั่งนอนผูกพันพัวพั น, พนอะไรอาวรนติดห้องในขันห้ายามจะตายก็อะไรในขันห้าก็เลยสร้างขันห้าขันแล้วขันเล่าขันแล้วขันเล่าแต่เรียกว่าแบกภาระไม่มีจบมีสิน้นทิ้งภาระหนึ่งก็ถือเอาภาระหนึ่ง ก็เหมือนกับคนมีโรคะนะหายโรคหนึ่งทําท่าจะหายโรคใหม่ก็กําเริบอีกแล้วโรคหนึ่งทําท่าจะสงบโรคใหม่ก็ตามมาเนี่ยนะทําท่าจะดีอีกแล้วก็เสียอีกแล้วเนี่ยก็เยือยอย่างเนี้ยปุถุชนในวัฏฏะก็เหมือนกันทําท่าเหมือนจะพ้นทุกข์ที่ไหนได้รอความทุกข์อันใหม่จะตามมาอีต่งหาทําเป็นเงียบเงียบเหมือนอย่างว่า ที่ทะเลเนี่ยเหมือนว่าคลื่นลมดูเหมือนสงบที่ไหนได้คลื่นลูกใหม่ใหญ่กว่าลูกเดิมอย่างเงนะกองทุกขของสาทั้งหลายก็ฉันนั้นทําท่าทุกเหล่านี้ดูเหมือนสงบที่ไหนได้รอทุกใหม่ๆตามมาอีกอย่างมาโอ้ยผ่านเรื่องเศร้าใจไม่สบายใจไปสักทีที่ไหนได้รอเรื่องที่ไม่สบายใจมากกว่าเรื่องนี้อีกต่างหากแล้วอย่งเง้ยให้เวลาพักสัก่อนจะได้รับเรื่องที่ไม่สบายใจให้มันยิ่งกว่านี้อีกอันเรื่องที่เรากําลังไม่สบายใจขณะนี้มันเรื่องเล็กเรื่องน้อย ไอ้ที่จะต้องเสียใจกว่านี้อีกหลักกว่านี้เป็นร้อยๆอยเท่าพันเท่าเนี่ยนะและเป็นล้านล้านเท่านักเหมือนกันก็อย่างนี้แหละทิ้งทุกกองนี้ก็ถือเอาทุกกองใหม่ทิ้งภาระเหล่านี้ก็ถือเอาภาระอันใหม่ซึ่งต่างจากพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พระองค์เหล่านั้นแสดงกําลังของปัญญาของพระองค์แสดงกําลังคือกําลังแห่งศรัทธาของพระองค์กําลังแห่งวิริยะของพระองค์กําลังแห่งสติกําลังของสมาธิกําลังของปัญญาของพระองค์พระองค์แสดงกําลังของพระองค์ให้ปรากฏแก่โลกพร้อมทั้งเทวโลกแสดงกําลังในการช่วยขนตัวเองให้พ้นจากทุกขชักนํำสรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกขพระองค์ก็ประกาศอมตะธรรมประกาศพระนิพพาน ในที่สุดเหมือนอย่างว่าประทีปที่สิ้นเชื้อก็ดับไปพระองค์ก็หมดเยื่อใยในขันห้าดับรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณพระองค์ทิ้งรูปประคันเหล่านั้นแล้วไม่ถือเอารูปประคันอันใหม่ๆ่อีกทิ้งเวทนาขันแล้วก็ไม่ถือเอาเวทนาใหม่ทิ้งสัญญาสังขารและวิญญาณแล้วไม่ถือเอาปฏิสนธิวิญญาณอีกต่อไปตัดการสืบต่อ วิญญาณคำว่าปฏิสนธิเนี่ยนะปฏิแปลว่าเฉพาะสนธิแปลว่าการเชื่อมปฏิสนธิเป็นการต่อระหว่างรูปสู่รูปต่อเวทนาสู่เวทนาต่อสัญญาสู่สัญญาต่อสังขารสู่สังขารต่อวิญญาณสู่วิญญาณ จากขันหนึ่งูซขันหนึ่งไปเรื่อยเรียกว่าปฏิสนธิเป็นการเชื่อมต่อจุติแล้วว่าเคลื่อนเคลื่อนแล้วต่อเฉพาะอีกนะเคลื่อนจากที่หนึ่งต่อไปอีกที่หนึ่งไปเรื่อยเรียกว่ามีเครื่อตารางต่อๆ่ต่อกันไปไม่มีจบมีสิ้นพระองค์บอกว่าบอแล้วตัดเรียกว่าอะไรนะเลิกประชุมบางอันเลิกเลิกนนะไม่มีนัดใบนัดประชุมอีกต่อไปไม่มีแล้วตัดจบสิ้นสทีหนึ่ง พระองค์ก็ทำกิจทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วก็ดับไปเหมือนไฟที่หมดเชื้อดับไปฉะนั้นภวรกายดังกองแห่งรัตนะแปลว่าร่างกายของพระองค์เหมือนร่างกายที่เป็นทองพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ก็ไม่มีอะไรเสมอเหมือนพระคุณทั้งหลายเนี่ยนะมีศีลสมาธิ ป, ปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะก็ไม่มีสิ่งใดจะเปรียบเทียบและเสมอเหมือนอีกแล้ว ทั้งรู ป, ปรกายและพระธรรมที่อยู่ในใจของพระองค์บัตรนี้ก็อันตรทานสิ้นไปเนี่ยนะไม่เหลือเลยเนี่ยนะแม้แต่ชื่อถ้าไม่อ่านพุทธวงศ์ก็แทบนึกไม่ออกว่ามีเคยมีพระพุทธเจ้าผู้เช่นนี้ในโลกมีผู้ที่สร้างบารมีตรัสรู้เช่นนี้ประกาศ ธ, ธรรมเช่นนี้มีผู้ตรัสรู้ตามเช่นนี้ ในบรรดาผู้ที่นับถือของเก่าแก่เนี่ยพวกเราเนี่ยนู้นับถือของเก่าแก่ที่สุดเนี่ยนะนับถือพระพุทธเจ้าผู้เก่าแก่องค์เมื่อสี่อสงไขยสามอาสงไขยสองอสงไขยเนี่ยนะอย่าว่าปีเลยเนี่ยนะเว้ยศึกษาสิ่งที่เก่าแก่โบราณจริงๆเลยนะพวกเราเนี่ยมันโบราณมากๆเลยนั่นถ้าเขาว่าเราแก่ก็ถูกต้องแล้วอย่าไปเสียใจนะเขาแก่จริงๆอ่ะนะเพราะชอบของเก่าของแก่เหมือนคนแก่เลย น, นั่น นะก็ขอให้แก่ศรัทธาเธอขอให้ศรัทธามันแก่กล้ายิ่งยๆ่งขึ้นไปเธอเนี่ยนะสังขารทั้งหลายก็ว่างเปล่าแน่แท้นะไม่เหลือเลยพระพุทธเจ้าเรวตะพระองค์นั้นทรงมีพระยศมีบุญมากดับขันธปรินิพานพระพุทธเจ้าที่มีพระชนมายุรุ่นยุคห0 0มื่นปีที่ทำให้พระบรมธาตุกระจายเนี่ยมีอยู่พระองค์เดียวเนี่ยนะ องเนี้ยที่มีอายุเป็น 60,000 ปีแล้วอธิษฐานให้พระาธาตุกระจายแม้แต่พระพุทธเจ้ากัสปะอายุสอง0 0ื่ปียังไม่อธิษฐานแต่พระพุทธเจ้าพระองค์นี้เล็งเห็นอำนาจประโยชน์เห็นประโยชน์อยู่พระองค์จึงอธิษฐานให้พระาธาตุแผ่กระจายไปเป็นส่วนๆในประเทศนั้นๆตามถิ่นนั้นๆคือพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทําทุกอย่างล้วนแต่มีประโยชน์ทั้งหมดอย่าไปตําหนิว่าเอ๊ะทำไมไม่กระจายน่าจะกระจาย พระองค์ใคร่ครวญเบ็ดเสร็จแล้วพระองค์จึงตัดสินพระไทยทําอะไรลงไปคือในบรรดาคนที่รอบคอบสุดยอดของนักรอบคอบสุขุมลุ่มลึกเนี่ยนะคิดกว้างคิดลึกคิดไกลคิดยาวเนี่ยนะคิดทุกแง่ทุกมุมคิดโดยรอบนะเรียกว่าแทว่าสมันต์ปัจฐานเนี่ยเรยาเป็นคนคิดรอบจริงๆเลยแหละสมันต์เนี่ยแปลว่าโดยรอบปัจฐานแปลว่าการตั้งเป็นการตั้งแบบรอบตั้งอะไรตั้งด้วยอนุภาพของปัญญา ปัญญาตั้งไว้เพื่อใคร้ควรไว้โดยรอบโพรองทําอะไรองคใคร้ควรเบ็ดเสร็จแล้วว่ารวบควรเป็นเช่นใดเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณควรเป็นไปอย่างไรกายกรรมควรไปอย่างไรว่าจีกรรมและมโนกรรมควรเป็นอย่างไรเนี่ยนะวันอันนั้นเป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าเรวตะข้อความในอัถกถาเนี่ยนะเพื่อจะได้เข้าใจเพิ่มยิ่งขึ้นกว่าเดิมว่า ต่อมาภายหลังจากพระพุทธเจ้าพระนามวาสัมมาณะเมื่อศาสนาของพระองค์อันตรธานไปแล้วพวกมนุษย์ที่มีอายุ9 0 0 0 0มปีก็ลดน้อยถอยลงโดยลําดับจนมีอายุ10ปีนะพวกเรากันนะมีบุญนะอายุมากกว่าปีก็แล้วกันนะเสร็จแล้วก็เพิ่มขึ้นโดยลําดับจนมีอายุถึง1นึงอสงไขยปีแล้วก็ลดลงมาอีกจนมนุษย์อายุประมาณ 60,000 ปี โอคิดว่ายุคอายุอันหนึ่งอสงไขยปีนี่ตัวเลขใครหน่งเลข0ูนยตัวต่อหลักหน่วยคือปีและจาก10ปีขึ้นขาขึ้นเนี่ยมันค่อยๆเป็นยุคเป็นยุคไล่ๆไปอย่างเงี้ยจนถึงมนุษย์ยุคอายุอสงไขยปีเนี่ยมันใช้เวลากี่ปีแล้วจากยุคอายุ อ, อสงไขยปีลดมาเหลือ 60,000 ปีเนี่ยใช้เวลากี่ปีก็ อ, อยากจะบอกว่าจากพระพุทธเจ้าองค์นี้ถึงองค์หน้าก็ชั้นนั้นเหมือนกันไม่ต่างกันหรอก พูดถึงก็ต่อไปว่าสมัยนั้นพระาศาสดาพระนามว่าเรวตะสเสด็จอุบัติขึ้นแม้พระองค์ก็ทรงบำเพ็ญบารมีทั้งหลายแล้วก็บังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตนะพระโพธิสัตว์เรวัตเนี่ยนะก็เหมือนกับพระเวสสันดรคล้ายนะแต่ว่าไม่ใช่เหมือนทุกกระเบียดนิ้วแต่ว่าคล้ายซึ่งเป็นปนะพอเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตดุสิตนั้นถือว่าเป็นภพที่รุ่งโรดรุ่งโรดแปล ว, ว่าสว่างสวัยด้วยรัตนะเป็นอันมากเป็นสวรรค์ที่สว่างมากเลยนะ ใครชอบหลับชอบนอนอดแน่ไงนะสว่างสว่างนอนไม่ค่อยหลับไงแต่ว่าสรุว่ารุ่งโรยสว่างสวัยอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตห้ารล้านปีเคลื่อนจากสวรรค์ชั้นดุสิตในอาสาละหะเริกถือปฏิสนธิในพระคารของพระนางวิปุลาอาสาละหะเริกเนี่ยนะนะผู้ภัยบุญด้วยคุณราศีกองแห่งคุณที่งดงามและน่าจับใจ อันนะั้นคือพระนางวิปุราหนี่สวยมากแล้วก็เห็นครั้งเดียวนี่ก็จําแม่นได้ตลอดไปครับแบบนั้นน่ะน่าจับใจเขาลยว่าจับไว้ในใจเลยพอเห็นปั๊บก็จับใจเอาไว้ในใจเลยคิดถึงได้เสมอว่างั้นซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมจุดรวมของดวงตาของชนทั้งปวงแสดงว่าถ้าจะเสียสตังไปดูนี่ก็ขอไปดูว่างั้นขอให้ได้เห็นคนงามขนาดนี้เรืองรองไปด้วยความงาม ผลของอะไรเนี่ยนะผลของเมตตาถ้าอยากจะงามอย่างนี้ก็จเจริญเมตตาไปเยอะๆอนะจักบอกจักให้คนอื่นเข้ามองแค่ครั้งเดียวก็เกินพอนี่ก็โกรธเอาไว้ให้มากนะก็มีง่า ย, ยนิดเดียวนะเพราะเมตตานี้เป็นที่ตั้งแห่งความจับใจใช่ไหมแต่ถ้าตรงกันข้ามกับเมตตานั่นแหละท่านบอกว่าความงดงามของพระนางวิปุลานะนะั้นอ่ะที่เกิดจากดวงหน้าหรือดวงใจอันมีสริหน้ารักดุจ ด, ดอกบัวบานตรการตา พนางวิปุลานั้นเป็นอัครามเมหสีในราชาสกุลของพระเจ้าวิปุลราชผู้ไพัยบุ์ด้วยความมั่งคั่งทุกอย่างพระราชาพระองค์นี้ก็รวยจริงๆแหละว่าไงนะเป็นพระราชาที่เกลื่อนกลนด้วยเหตุเกิดและเสรีราชาสมบัติพระองค์นั้นถูกห้อมล้อมด้วยขราชชาวบริพารอันงดงามประมาทไม่ได้ทหารนี่เยอะมากเลยนะ พระองค์ประดับกายด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงในกรุงสุทัญยวดีทัญญานี่แปลว่าข้าแปลว่าทรับ嘛เนะี่ยธัญญาก็สุแปลว่าดีว่า ง, งั้นเดอบเมืองนี่รวยมากนะซึ่งมีทซั์และข้าวเปลือกพร้อมสับพระองค์ก็อยู่ในคันขนาดพระโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายยังต้องอยู่ในคันเลยเนี่ยนะคนจะ ง, งามขนาดไหนถ้าต้องอยู่ในคันเนี่ยมันก็คิดเยอะเงินนะ